ปัจจุปันนาคตาวาลว่าโดยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจกขายัตนะมูลกาใน 86. ดสอนุโลมปุชชจฉาจกขายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายัตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจชิมพวิกบบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ และบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในอรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรูเกิดได้กำลังอุบัติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและโสตายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดจะเกิด จักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติโสตายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักขายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติโสตายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักขายัตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา จกขายัตนะของบุคคลใดกำลังเกิดคานายัตนาของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิทัชณนาะปัจฉิมพวิกับุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติจกขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีจักรกเกิดได้กําลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดจะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิด แต่จักหายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักหายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉ้าจักหายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจจิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใด จากอุบัติในอรูปอรูปปภูมิแล้วปรินิพานกําลังอุบัติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่รูปลายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและรูปลายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปลายัตนาของบุคคลใดจะเกิดจากขายัตนะของบุคคลนั้นกําลังเกิดใช่ไหม วิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรกูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักระยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรกูเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักระยตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักระยตนะของบุคคลใดกําลังเกิด มานายตนะนของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจาชนาปัจฉิมพวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัจจวบกา ร, รภูมิจะขายตระนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักูกเกิดได้กําลังอุบัติจะขายตนะนของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมานายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามานายตนะนของบุคคลใดจะเกิด จักขายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิทัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักรูเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จักระยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูเกิดได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจักระยตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกําลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัชิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา ธรรมายาตนะของบุคคลใดจะเกิดจะขายยาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจชรณาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักรูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จะขายยาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรูกเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและจะขายยาตนะก็กำลังเกิด จกขายัตนามูักก า, นายนิจจบคานายัตนะมูลกก า, ายนิแปดสิบอนุโลมปุจฉาคานายัตนาของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายัตนาของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจตันาปัจฉิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวาจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรู ป, ปภูมิแล้วปรินิพาน ซึ่งกําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและรูปลายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมพิจารนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิตชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในการมาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา ธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลัง master, them, อุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและคานายตนะก็กำลังเกิดคานายตนาโมลกไนจบ รูปายตนะมูลกนัย 88. อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดมนาายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่มนาายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติ มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉารูปลายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจชิมภวิกบบุคคลผู้กำลังุบัติในปันจจวบกา ร, รภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้ กำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่กาลังเกิด บุคคลผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและรูปายตนะก็กําลังเกิดรูปายตนะมูลกไยนจบมนายตนะมูลกไยนิจแปอนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะ ปัดชิมพระวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่ธร ร, รมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและธร ร, รมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุชชาธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิตัิชนา บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่กําล e ังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและมานายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกไยนายเกอนุโลมปุจฉา จักขายัตนะในภูมิใดกําลังเกิดละอนุโลมปุกคโลกาจักขายัตนามูลกันในเกอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กาลังอุบัติในปัจจวบการภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่าน them, winner, ั workout, ้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรคูเกิดได้กำลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและโสตายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาโสตายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมพิจัชนา บุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการะพูมิและบุคคลผู้มีจักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นก็จะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรคเกิดได้กําลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉา จะขายัตนะของบุคคลใดในภูม so, <mammals> ิใดกําลังเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจชิมภวิกาบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิจะขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจะขู่เกิดได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและคานายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายัตนะของบุคคลใดในภูมิดจะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุดติจากกามาวจจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจจรภูมิ คานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักรกเกิดได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายัตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดรูปลายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตัชชา ปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัจจวบการะพุมจักขายาธนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่รูปายาธนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักรกเกิดได้กำลังอุบัติจักขายาธนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและรูปายาธนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายาธนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด จกขายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม uh วิจัดชนาบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโภกา ร, รภูมิบุคคลผู้มีจักรกูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิรูปายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จะขายัตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรกเกิดได้กาลังอุบัติ รูปรายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักายตนาก็กำลังเกิดอนุโลมปุชชจฉาจักายตนาของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมาน า, ายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมพระวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวกาลภูมิจักายตนา ข, ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิด แต่มนายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจกักรกเกิดได้กําลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมะนายัตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายัตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักรเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จักขายัตนาของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมพิจารนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กาลังอุบัตในปัญจโวการภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังอุบัต จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโรมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จักขายยตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีจักรกเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจะขายายตนะก็กําลังเกิดจะขายายตนามูลกนัจบคานายตนามูลกไัยเกอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดรูปลายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนา ปัดจิมพระวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดและรูปายตะนะก็จะเกิดปฏิโลมปุฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังจุดติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังบัติในการมาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิด บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจชะนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ คานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีคานาเกิดได้กำลังอุบัติคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูม mm ินั้นกำลังเกิดและมนายตนาก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กาลังเกิดใช่ไหมวิจัชนา บุคคลผู้กําลังจุติจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและ คานายตนะก็กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้มีคานาเกิดได้กําลังอุบัติคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและธรรมายตนาก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดคานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ และบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็กําลังเกิดคานายตนะมูลกายนจบลูปายตนะมูลกายน เกอนุโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดมานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะปัจชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในปัจจวการาภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและมนายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัจจวัการาภูมิ และบุคคลผู the Lord, the ้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโการาภูมิมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็กำลังเกิดอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิตติชนาะปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวโการภูมิรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กําลังอุบัติรูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิโลมปุจฉา ธรรมายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นใ น, ในูมินั้นจะเกิดแต่รูปายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติ ł. ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็กําลังเกิดรูปายตนะมูลกนาจบมนา ย, นายตนะมูลกไาฏเกอนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะ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 ปัจจณีกับบุคคลจะขายัตนาโมลกนาอิ๙อนุโลมปุจฉาจะขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสตายัตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจกักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจะขายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิด แต่โสตายตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกบุคลลบคลแนวรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติแนวรูปภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุดติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉา โสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจกขายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัดชิมพรวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายยตนะมิใช่ไม่กาลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในอรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานกําลังจุติโสตายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายยตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชจฉาจักขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิด คานายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักข า, ายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปจิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใด จากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนา ปัจฉิมภระวิกาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปันจจวบการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปรา ว, ารรวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปันจจวบการภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิ บุคคลเราใดจกอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปณิพันธ์ซึ่งกําลังจุติคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายัตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักไม่เกิดใช่ไหมวิจชนะนา บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจกักรคเกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมพวิกาบุคคลในรู ป, ปรภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรู ป, ปรภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังจุติ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปลายัตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปลายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิ และบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่กาลังเกิดบุคคลผู้กาลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมพาวิกาบุคคลในรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานกำลังจุติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาจักขายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมนาายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติจักขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่มานายตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมพวิกาบุคคลในรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาะ ปัดฉิมพาวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัดฉิมพวิกรบุคคลในรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉา จักขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมภวิกาบุคคลในอรู ป, ปภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายัตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจักขายัตนาของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาป ช, ชิมพระวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิธรรมายัตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่จักขายยตนะไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัจจวบการะภูมิและปัจฉิมภาวิกะบุคคลในอรูปประภูมิรำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและจักขายยตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดจักขายยตนาะมูลกนัยจบคานายตนาะมูลกนัย96อนุโลมปุจฉา คานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิ ปิัตจิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วป ร, รินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหม วิสัชนาปัจชิมภวิกรบุคคลผู้ก okay well ําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกําลังอุบัติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจชิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ แลบุคคลเหล่าใดจากอุบัติแนรูปประภูมิแล้วปรินิพานซึ่งกำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัิชนาะ บุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติคานายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนาไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัดฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาะปัจชิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตนาไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิ ปัดชิมภรวิกรบุคคลในรูปราวจรภูมิและอรูปราวจรภูมิธรรมายตนาของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนาโมลกนาิจบรูปายตนามูลกนาิ๙๗อนุโลมปุจฉารูปายตนาของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิด มานายตนะและธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังอุบัติรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัจฉิมภาวิกะบุคคลแนวรู ป, ปรภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโรมปุชชาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะปัจฉิมพระวิก บ, บุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโการาภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิด แต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโบการะภูมิและปัดฉิมภวิกาบุคคลในรูปประภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดรูปายตนะมูลกนัยจบมนายตนะมูลกนัย98 อนุโลมปุจฉามานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดธรร ม, มายตนะของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรร ม, มายตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพาน มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาปัชิมภวิกับุคคลผู้กําลังอุบัติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานทำมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและมานายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดมานายาตนะมูลกไนจบปัจจนีกับโอกาสจักขายัตนะมูลกไยนัย9อนุโลมปุจฉาจักขายัตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดละ ปัจจณีกับบุคคลโอกาจากขายยตนามูลกไใน100อนุโลมปุจฉาจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กาลังเกิดโสตายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตชัชชาบุคคลผู้กาลังจติจากปัญจโวกาลภูมิและบุคคลผู้มีจักรผูกเกิดไม่ได้กาลังบัิในกามาวจรภูมิ จักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจวโวการะภูมิบุคคลผู้บตรอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายัตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุชชา โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชนาะปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จากขายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ บุคคลผู้บัตรอยู่ในสัญยสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายาตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาจะขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดคานายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะ บุคคลผู้กําลังจุตีจากกามาวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักรเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่คานายัตนาไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้กําลังจุดตีจากปรูปาวจรภูมิบุคคลผู้อุบัติ อยู่ในอสัญญาสัตตภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิสัชนา ปัดจิมภ์พระวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิบุคคลผู้กําลังจุติจากรูปาวจรภูมิบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิ คานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักระยาตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุลมปุจฉาจักระยาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายญาตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิบุคคลผู้มีจักระเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัตยู่ในสัญญาสัตต ภ, ภูมิจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูปายาตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัตยู่ในรูปภูมิจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปายาตนาก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉา รูปายตนาะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขายายตานะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมภวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปายตนาะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอรูปภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุชชจฉาจะขยายายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากปันจโบการะภูมิบุคคลผู้มีจะขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้บัติยู่ในอรูปประภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่มนาญตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิปัจฉิมภวิกับุคคลในอรูปประภูมิและบุคคลผู้บัติยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนายาตนะก็ไม่ใช่จะเกิด ปฏิโลมปุจฉามนายาตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดจะขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาปัดฉิมภวิกรบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวกาลภูมิมนายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่จะขายาตนาไม่ใช่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในปัจจวบกาลภูมิปัดฉิมภวิกาบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจักหายาตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุชชจฉาจักหายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด ธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิตัิชนะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจติและบุคคลผู้มีจกักรคเกิดไม่ได้กำลังอุบั ต, ติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัจจวการรภูมิและปัจฉิมภาวิกาบุคคลในรู ป, ปภูมิจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้น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 แต่จะขายาตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัจจวบการะภูมิและปัจฉิมพะวิกรบุคคลในอรูปประภูมิทำมายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและจะขายาตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดจะขายาตนะมูลกนัยจบคานายาตนานะมูลกานานัย101 อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กําลังอยู่ตีจากกามาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิ คานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่รูป า, no s. <S า, ายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปประภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักเกิด ปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนะปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิด บุคคลผู้กําลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมภวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด มนายัตนของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัรณาบุคคลผู้กำลังจุติจากการมาวจรภูมิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัตในการมาวจรภูมิบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมมนั้นไม่ใช่กาลังเกิดแต่มนายัตนะ มิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมพะวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในอสัญญศสัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉา ม น, นายัติธของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิสัชนาปัจฉิมภวิกบุคคลผู้กำลังอุบัติในกามาวาจรภูมิมานายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่คานายัตนธมิใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในกามาวาจรภูมิ ปชิมพวิกาบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในสัญญาสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหม วิจัชนาะบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะมิใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิปัจฉิมพวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ คานายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนาก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดคานายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิตัชชนาะปัดจิมภวิกบุคคลผู้กําลังอุบัติในกามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิด แต่คานายตนะมิใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในกามาวจรภูมิปัดฉิมภวิกรบุคคลในบรูปาวจรภูมิและอับรูปาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดคานายตนะมูลกนัยจบ รูปายตนะมูลกันในหร้อยอนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดมนายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิจัชนาะบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด ต่มานายัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัจชิมภวิกับุคคลในอรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิรูปายัตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมานายัตนาก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉามานายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด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 ปัดชิมพรวิกรบุคคลในรูปปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญาสัตตภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดอนุโลมปุดฉารูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้น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 รูปายตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จะเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนาของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จะเกิดรูปายตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัชนาะปัจฉิมพวิกบุคคลผูกกำลังอุบัติในปัจจวการภูมิ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 จบมนายตนะมูลกไัน่งร้อย 103. อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จะเกิดใช่ไหมวิัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุดติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในปูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิโลมปุจฉาธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด มนายตนะของบุคคลนั้นในภุ่มนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิจัิชนาปัจฉิมพวิกรบุคคลผู้กำลังอุบัติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภุ่มนั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภุ่มนั้นไม่ใช่จะเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิด มนายตนะมูลกไันจบ